อาจารย์สุรพุทธเราจะให้อาจารย์สุรพุทธเทศวิญญาณเทศนะแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันก็มีการสวดมนต์ทำวัดแล้วก็ฟังธรรมเป็นเป็นกําลังเสริมเนาะเวลาเราสวดมนต์ทำวัดก็ สามารถปฏิบัติทำได้ลองสังเกตดูเวลาเราสวดมนต์เองบางทีจิตใจก็อยู่กับบทสวดมนต์รนะดึกหรือว่าสวดตามได้ไม่ผิดเพี้ยนหรือว่านะแต่บางทีใจเราก็เผลอนะใจเราก็ลืมบทสวดมนต์ไปคิดเรื่องอื่นหรือบางครั้ง ปากก็สวดไปแต่ใจก็ไม่ได้อยู่กับการสวดมนต์ก็ดีหรือบางครั้งเราสวดไปก็เกิดความสงสัยในคำสวดหรือบางครั้งก็เกิดการไปคิดตามสิ่งที่เราได้สวดอันนี้ก็เป็นสภาวะที่ทเกิดขึ้นจริง ก, กับการสวดมนต์แต่ในแต่และ ว, วัน เช้าเยน็นบางทีอาจจะอาจจะแตกต่างกันไปบ้างแต่ถ้าเราสังเกตดูดนะีแม้เราจะอยู่กับการสวดมนต์แต่ตลอดครึ่งชั่วโมงจิตก็ไม่อยู่กับการสวดนมนต์ตลอดหรอกนะมันหลงไปคิดหรือว่ามันลืมนะลืมสิ่งที่สวดนะก็สวดแค่เป็นกิริยาอาการของกายแต่จิตใจก็จะอยู่กับตําไหนก็มีรู้ ซึ่งไม่ต้องกังวล น, นะมันไม่ใช่เรื่องผิดธรรมชาติมันก็เป็นเช่นนั้นนะไม่ต่างจากชีวิตประจําวันของเราที่ที่เราเคยทําอะไรได้โดยโดยสภาว่าที่ไม่ได้ผิดพลาดนะแต่ก็ขาดสตินะเช่นเราขับรถตอนนะี้เราขับรถเองบางทีขับรถไม่ประสบอุบัติเหตุนะปลอดภัยดี แต่ก็ใช่ว่าเราจะมีสติทุกครั้งในขณะที่ขับรถนะเราก็หลงไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนีนะ้หรือบางครั้งเราก็มีความทุกข์มีความกังวลใจในขณะที่ขับรถไปมันก็มันก็เป็นไปได้กนะิจวัตรปกติธรรมดาเนี่ยแหละนะที่บางครั้งเนะี่ยถ้าเราถ้าเราไม่ไม่ทันระวังดีๆเนาะมันจะทำให้เราขาดสติไปได้ง่าย ตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาพับผ้าห่มแต่งปันล้างหน้าทําบัดเชา้าบินทบาทฉันเ ช, ช้าฉันเพลนหรือว่าทําบัดเย็นหรือว่าเข้าห้องน้ําอาบน้ํำเนะนี้ยกิจพวกนี้ยเป็นกิจที่เราทําเป็นประจำทุกวันใช่ไหมถ้าเราสามารถเก็บเกี่ยวกันมีสติ ก, กับกับอียาวดที่เราทํา เป็นกิจวัตรประจําวันได้ตลอดเนี่ยก็มันก็จะรู้สึกตัวได้ต่อเนื่องไปเรื่อยบวกกับตอนที่เราภาวนานในรูปแบบแต่กิจพวกนี้มันก็มีความเผลอมีความหลงไปได้ง่ายแต่ก็ให้ถ้าเราแค่รู้ทันว่าเออมันมันเผลอไปนมันหลงไปคิดหรือว่ามันลืมตัวไปก็ไม่เป็นไรนะเพรกลับมารู้เนื้อดูตัวใหม่ สิ่งที่เราห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ก็นี่แหละคือความหลงความเผลอไปมันเป็นธรรมชาติที่กิเลสที่มันมาครอบงำนะความหลงความไม่รูม้มันชวนให้เผลอออกไปนะเราก็ไม่เป็นไรธรรมชาติของเราก็คือกลับมารู้ตัวใหม่เหมือนอย่างที่หลวงพ่อเทียนท่านเปรียบเทียบเหมือนกับตัวสติตัวรู้เหมือนกับแมว ตัวหลงตัวไม่รู้เหมือนกับหนูหน้าที่ของเราไม่ใช่ไปคอยไปคอยไล่จับหนูหรือว่าไปห้ามหนูให้มันไม่มาวุ่นวายก็คือว่าเราไม่ได้ไปห้ามความคิดไม่ได้ไปห้ามความหลงไม่ได้ไปห้ามการปรุงแต่งแต่หน้าที่ของเราคือมามาเลี้ยงแมวมาให้อาหารแมวนะมาทําให้แมวมีกาลัง มีสติปัญญามากขึ้นดังนั้นให้เรากลับมาเนี่ยมาอยู่กับการสร้างความรู้สึกตัวสร้างสติไปเรื่อยเอยบ่มเพาะอินทรีย์บารมีของเราเนี่ยแหละให้มันพอกคูนไปเรื่อยไม่ต้องกังวลว่าเมื่อไรความหลงเมื่อไหรความไม่รู้มันจะหมดไปเมื่อไร่ความคิดฟุ้งซ่านมันจะน้อยลงไม่ต้องกังวล น, นะ เรามาทําหน้าที่ของเรานะกิเลสเขาก็ทําหน้าที่ของเขาก็ถูกของเขาแล้วนะไม่ได้ผิดอะไรนะแต่เป็นคนละหน้าที่นะหน้าที่ของเราคือรู้สึกตัวสร้างพุท ธ, ธะขึ้นในจิตใจหน้าที่ของกิเลสเขาก็สร้างความหลงหนะความไม่รู้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นคนละส่วนกันเหมือนกับ เราเวลาเราไปเลือกซื้อของนะเวลาเราเลือกซื้อของหน้าที่ของเราก็พิจารณาดูสินค้าดูราคาที่มันเหมาะสมหน้าที่ของแม่ค้าพ่อค้าเขาก็มานาเสนอสินค้ามาเสนอราคาที่เขาอยากจะได้กำไรนะเราพอใจเราก็ค่อยเลือกซื้อนะ เราไม่พอใจเราก็เดินผ่านปฏิเสธไปอ น, นี้ก็เป็นหน้าที่ของเราเขาจะโกงราคาเขาจะเสนอสินค้าดีหรือว่าปลอมอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเราก็มีนหน้าที่ของเราในการพิจารณาความเหมาะสมเอาดังนั้นหน้าที่ของเราก็ก็ทำของเราไปนะเ้วก็ฝึกสติ จเจริญสมาธิปัญญาไปเรื่อยส่วนกิเลสตัณหาเขาจะมาเสนอสินค้าสินค้าเขาเนี่ยก็เป็นมีทั้งที่ดีแล้วก็ไม่ดีนั่นแหละที่มันแฝงความเข้ามาในจิตนะความคิดในทางที่ไม่ดีอารมณ์ในทางที่ไม่ดีมันก็อาจจะผ่านเข้ามาบ้างอความคิดหรืออารมณ์ในทางที่ดีนะ เขาก็มาเสนอรอให้เราไปชวนเสพไปชวนสุขกับเขาบ้างอันนี้เปรียบเสมือนอพ่อค้าเม่ค้าที่ฝ่ายกิเลสเขาก็เสนอสินค้าของเขาถ้าเราพอใจเราก็หลงไปติดหรือว่าไปเสพของเขาแต่ที่จริงการภาวนานะ เราต้องเรียกว่าถอนความพอใจและความไม่พอใจในทุกสิ่งทุกอย่างออกให้ได้นะแม้บางครั้งอาจจะมีความหลงไ ป, ไปพอใจไม่พอใจบ้างแต่ก็พยายามกลับมาไปบ่อยกลับมาบ่อยให้รู้ทาทันว่าอาการพวกนั้นมันเป็นอาการที่ที่เข้ามาล่อเข้ามาหลอกให้เราหลงนะให้เรากลับมากลับมาอย่าไปหลงกับเขานะแม้มันจะดีขนาดไหน แ ม, มแม้มันจะน่หน้าคิดขนาดไหนแม้มันจะหน้าเสพขนาดไหนแต่พวกนั้นเป็นเครื่องที่ชวนให้เราพักให้เราติดถือว่าให้เราลงทางนั้นแต่การทําความรู้สึกตัวเหมือนกับใช้การที่เราเดินทางไปเรื่อยเรื่อยเราเดินทางจะกลับกรุงเทพหรือเราเดินทางจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ารถเราไม่แวะพักบ่อย รถเดินถูกทิศถูกทางไปในเส้นทางถนนที่ถูกนะรับรองก็สามารถไปถึงเป้าหมายได้แต่ถ้ารถเราแวะพักบ่อยหรือว่ามแม้ไม่แวะพักแต่เดินผิดทางเดินเรียกว่าวิ่งผิดถนนมันก็ไม่สามารถไปถึงเป้าหมายคือกรุงเทพที่เราจะกลับได้ การภาวนาก็เหมือนกันเนาะต้องดูว่าบางทีตัวหลงทางความคิดเนี่แหละนะมันชวนให้เราเลียวผิดทางหรือว่าตัวหลงเพลินในอารมณ์ที่เป็นความสุขความสนุกความสบายเนี่ยมันชวนให้เราพักนะไม่ต้องใส่ต่อนะแล้วก็เพลินพอใจกับแค่ตรงนั้น แต่การเดินทางคือการที่เราผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆนะทิ้งฟูหลงไว้นะทิ้งถ้ำมาไฟหวานสุกโตวไว้ข้างหลังทิ้งแก่นคอเชียภูมิไว้ข้างหลังนะทิ้งด่านคุณทศข้าสีคิ้วอะไรต่างๆเอาไว้ข้างหลังผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆนะเอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เชา้าจนเย็นเนี่ยให้มันผ่านไปเรื่อยๆนะ อมตั้งแต่อันดีตั้งแต่เด็กอะไรต่างๆที่มันดะลึกได้ก็ทิ้งผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆนะแม้แต่ข้างหน้าจะเจออะไรนะก็เอาไว้ก่อนไม่ต้องไปกังวลว่าข้างหน้าจะต้องแยกซ้ายหรือแยกขวาข้างหน้าจะต้องขึ้นเขาหรือว่าทางเรียบสบายนะก็เอาไว้ก่อนไปเจอกันแนละ้วค่อยไ ป, ไ ป, ไ, ปไปเผชิญกันข้างหน้านะ ไม่ต้องกังวลว่าเช้าวันนี้เสร็จเจออะไรนวันพรุ่งนี้จะเจออะไรกลับไปจะเจออะไรนให้ใจเราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการเดินทางทีละขณะทีละขณะถ้าเราอยู่กับการเดินทางได้ทีละขณะทีละขณะนะมันชีวิตเนี่ยเราจะเราก็จะอยู่กับปัจจุบันได้อย่างแท้จริงเราจะสัมผัสกับความรู้เนื้อรู้ตัวได้อย่างแท้จริงนจิตที่ไม่ จิตที่ไม่เรียกว่าไม่กังวลในอดีตก็ตามหรืออนาคตก็ตามนี่แหละนะเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นจิตที่อยู่กับปัจจุบันนะแต่จิตที่อยู่กับปัจจุบันก็ไม่ใช่ว่าจิตไปติดกับอารมณ์ในปัจจุบันนะอนะมันอยู่มันอยู่กับปัจจุบันแต่มันอยู่เหนืออยู่เหนือสุขเหนือทุกข์เหนือการกระทําในปัจจุบันด้วย เรียกว่าอดีตก็ไม่ติดอนาคตก็ไม่ติดแม้แต่ปัจจุบันเองก็ไม่ติดนะมันสัมผัสรู้อยู่กับปัจจุบันก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ติดนะบางคนที่ว่าอยู่กับปัจจุบันก็คืออยู่กับอารมณ์เช่นเศร้าก็อยู่กับอารมณ์เศร้าสุขก็อยู่กับอารมณ์สุขนะเีใจเสียใจก็อยู่กับมันนะอันนั้นไม่ใช่นะการอยู่กับปัจจุบันคือการการรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะ อย่างไม่ได้หลงไปติดไม่ได้ไปยึดเขาเหมือนเรานั่งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเห็นเรือเขาล่องลอยผ่านไปเห็นคนเขาว่ายน้ำเล่นเห็นขยะหรือว่าสาวะหรือว่าพืชน้ำเขาลอยตามน้ำผ่านไปอันนี้เราก็นั่งอยู่บนฝั่งสบายๆเนี่ย ก็เห็นสิ่งต่างๆผ่านมาผ่านไปเฉพาะหน้าที่ตรงที่ตรงที่เรานั่งนั่นแหละนะไม่ต้องไปเชิงเน้อคอยมองไอ้ที่มันผ่านไปแล้วไม่ต้องคอยไปดักดูว่าอะไรมันจะมานะแต่สิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าเนะ่ะเราก็เห็นเห็นแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นกับมันนะเราก็เฝ้าดูอาการของกายที่เคลื่อนไหวก็เหมือนกับการที่เราตั้งสติอยู่เฉพาะหน้านะ เห็นอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านแล้วก็ผ่านออกไปก็คือเห็นแล้วไม่ไปติดกับอารมณ์ต่างต่านตัวนั่นแหละนี่แหละคือสิ่งที่ที่เราต้องทาไปเรื่อยเนาะมันธรรมะนี่เป็นสิ่งที่มันไม่เหลือวิสัยที่พวกเราจะทำได้แต่มันเป็นธรรมที่ที่ไม่มีใครทำให้เราได้นะมันต้องเป็นธรรมะที่ต้องทำด้วยตัวของเราเอง มันเป็นเรื่องที่ไม่เดือดวิสัยแต่มันเป็นเรื่องที่พวกเราต้องทำเองฝนะึกฝนเองพัฒนาเองเรียนรู้เองนะแล้วก็จะสามารถเข้าถึงเองกนะารฟังธรรมกนะารสวดมนต์หรือการได้มีกัณยานมิตรก็เป็นสิ่งที่ที่จะช่วยให้พวกเราได้นะได้เดินทางไปถึงตรง น, นั้นได้นะ แต่เหตุปัจจัยภายในของเรานี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญนะเราต้องมีความแยกคายไปในจิตนะในการรู้เท่าทันสิ่งที่กิเลสเขาจะชวนนอให้เรายึดติดหรือว่าหลงไปนะให้เราตะหนักเร็วๆนะการ ม, มีสติจะทำให้เรารู้ทันเวลาเราหลงเวลาเราคิดเวลาเราเผลอนะมันไม่เป็นไรนะทุกครั้งที่เราเผล่ทุกครั้งที่คิดทุกครั้งที่หลงไป แล้วเรารู้ตัวเมื่อ น, นั้นก็เรียกว่าเป็นการมีสติสัมปชัญญะแล้วนะรู้สึกตัวแล้วหรือแม้ไม่หลงไม่เผลอไปคิดก็ไม่เป็นไรเรารู้กายแบบสบายสบายไม่ต้องไปเพ่งไม่ต้องไปจ้องไม่ต้องไปอยากให้มันเห็นชัดชัดนะเรารู้ทันเนนะี้มันก็จะรู้แบบสบายสบายรู้ไปเรื่อยเรื่อยรู้เหมือนสักแต่ว่ามันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุอย่างนึ่ง เห็นรูปที่มันเคลื่อนเห็นรูปที่มันทํากิริยาอาการต่างๆเหมือนเป็นวัตถุเหมือนเป็นก้อนธาตุที่แยกส่วนออกไปรูปเป็นสิ่งที่ที่เคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่กระทํากิริยาต่างๆจิตใจมีหน้าที่คอยสังเกตคอยรับรู้เห็นรูปเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นบางทีก็รู้สึกเหมือนเป็นหุ่นยนต์เหมือนเป็นท่อนไม้ท่อนฟืน เหมือนเป็นอวัตถุหนึ่งนั่นแหละที่จริงรูปมันก็เป็นวัตถุหนึ่งที่ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่มาประกอบกันนั่นแหละนะประกอบเป็นเป็นสมมุติเป็นคนเป็นสัตว์นะเป็นสิ่งต่างๆมันก็เป็นสมมุติที่ที่เราก็อาศัยรูปนี้นะเราก็ใส่รูปของเราเนี่แหละในการดูในการศึกษาดูมันเคลื่อนไหวดูมันทําอะไรไปเป็นเครื่องให้เราอยู่กับปัจจุบันให้ได้ ดูรูปด้แยกวัตถุหรือรูปนั้นเป็นสิ่งที่ถูกจิตใจคอยรับรู้นะนำมาทำหรือว่าจิตใจนั่นแหละนะให้มีสติคอยรับรู้รูปที่เคลื่อนไหวเมื่อนามาทำหรือว่าจิตใจนะมันเผลอไปคิดหรือมีอารมณ์อะไรขึ้นมานะมันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยมีสติรู้ทันว่าอ๋อจิตเมื่อกี้นะมันมีความคิด จิตเมื่อกี้มันมีความโกรธมีความโลภความหลงเกิดข ko> ึ้นมามันก็จะมีจิตที่ตามมาอีกทีหนึ่งค yeah ือจิตท no. cool ี่รู้นะมันก็จะกลายเป็นมันก็จะเห็นจิตที่มันเผลอไปคิดนะแล้วก็จะมีจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้มันเผลอไปคิดตามมาอีกทีหนึ่งนะจิตเมื่อกี้มันมีอารมณ์ความโกรธนะก็จะมีจิตอีกจิตหนึ่งที่ตามมารู้ว่าเมื่อกี้มันโกรธนะ มันก็จะสลับกันไปสลับกันมานะีมันก็จะเห็นอาการไปเรื่อยเนะี่ยอันนี้ก็เรียกว่าจิตอยู่กับปัจจุบันเหมือนกันเวลาที่เราดูรูปมันเคลื่อนไหวโดวยแยกส่วนกับเรื่องของนามธรรมาจิตใจอันนี้ก็เรียกว่าเป็นจิตที่มีสติรู้รู้รูรรปธรรมนะแต่ก็มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะจิตก็เป็นปกตินะอันนี้ก็ใช่เช่นเดียวกัน แม้แต่จิตตอนที่มันหลงไปคิดหือเสบอารมณ์ไปเราก็ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ถ้าสังเกหรือดีมันไปของมันเองมันคิดของมันเองมันปรุงของมันเองได้ซ้ำน่ะมันสุขมันทุกข์ของมันเองน่ะมันเป็นเรื่องของจิตที่มันไปเองสติมันก็รู้ของมันเองน่ะมันระลึกได้ก็ว่าเผลอไปแล้วน่ะมันระลึกได้ว่าเมอไปแล้วมันระลึกได้ว่าโกรธไปแล้วน่ะ ตอนที่เลิกได้นะ่ะเรียกว่ามีสติตอนที่ถอนออกจากอารมณ์ออกจากความคิดนะ่ะมันรู้เนือ้อรู้ตัวมันเป็นอิสระขึ้นมาจากความคิดเป็นอิสระจากการครอบงำของของอกศุศลต่างๆคณะเรียกว่ามัตื่นตัวขึ้นมานะพอมันได้เลิกได้มันก็เกิดความรู้ตัวเกิดความตื่นตัวเกิดความเป็นอิสระนะเหมือนกับตอนที่อารมณ์ครอบงำเหมือนกับเราจมน้ํา พอรู้ตัวเมื่อไหร่เราโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำนะมันก็เป็นอิสระแล้วแต่ถ้ากําลังเราไม่พอที่จะขึ้นมาบนบกนะมันก็อาจจะจมใหม่เหมือนอารมณ์ความคิดก็อาจจะมาครอบงานใหม่นะล้วก็เพียงแค่รู้ตัวใหม่มันก็โผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำแล้วนะเราก็ทําแบบนั้นเมื่อมันเผลอไปคิดนะเราก็รู้ทันมันก็เป็นอิสระจากความคิดนะมันเผลอไปโกรธโดภหลงเรารู้ทัน มันก็เป็นอิสระจากความโกรธโลบหลงนะในปัจจุบันตรวนั้นนะเราก็ทำไปเรื่อยจนทั้งมันจิตใจมันเริ่มเรียกว่าคุ้นเคยกับการมีสติมีสมาธิตรงนี้มันก็จะกลับมารู้ตัวได้ไบ่อยๆนะความคิดความหลงมันก็เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวหรือว่าเกิดขึ้นเพียงแค่สั้นๆ ความที่มีกุศลหรือว่าธรรมะฝ่ายที่จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจทให้เกิดความเรียกว่าผสมสติสมาธิปัญญามันก็จะเข้ามาแทนที่เรืๆๆ่อวยนะกายวาจาก็จะมีศีล น, นะมีความเป็นปกติจิตใจก็จะมีความมั่นคงนะมีความสุข จากการที่อยู่กับปัจจุบันแต่ก่อนมันมีความสุขจากการคิดนะต่อไปมันก็มีความสุขจากการไม่คิดมีความสุขอยู่กับความสงบนะแต่เป็นความสุขที่ไม่ได้ไปติดมันนะเป็นความสุขที่รู้อยู่นะมันก็จะเกิดความเพินในการภาวนานะแต่ก่อนเราภาวนาดูเวลาแต่ก่อนภาวนาแล้วก็คิดอยากจะได้อยากจะรู้อะไร ต่อไปมันก็จะเป็นความสุขจากการที่แค่ได้กระทำนี่นแหละนะเป็นความสุขที่ได้ทำเหตุที่สมควรแล้วเป็นความสุขในการที่คอยตามรู้ตามดูแล้วนะไม่ต้องกังวลว่าเวลาจะผ่านไปกี่ชั่วโมงกี่วันแล้วไม่ต้องกังวลว่าเราจะได้อะไรไม่นะเราจะรู้อะไรไมพอจิตไม่มีความกังวลจิตก็มีความสงบนะ่ะ มีความเป็นปกติเมื่อนั้นเราก็ได้สัมผัสกับสภาวะจะเรียกว่าเป็นนิพพานน้อยก็ยได้นะเป็นสภาวะที่จิตเป็นปกติก็ได้เป็นสภาวะที่มันไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้มันก็ได้สัมผัสที่ตรงปัจจุบันตรงนั้นทันทีแล้วถ้าเราสัมผัสกับปัจจุบันหรือว่าความเป็นปกติอยู่เสมอนะจิตมันก็จะคุ้นเคยนะมันก็จะอยู่กับตรงนี้มันก็จะกลายเป็นที่ตั้งนะ กลายเป็นหลักของใจหลักของจิตให้มันเรียกว่าไม่ไม่หลงไม่ไหลไปนะมันก็จะมีความมั่นคงนั้นนั้นเรื่อยเนะมื่อจิตมีความมั่นคงมีความไม่หลงไม่ไหลไปเรื่อยเนะี่ยมันก็จะดูแล้วว่าอ๋อนี่แหละคือสภาวะที่จะเรียกว่าเป็นปกติจริงๆเนะี่ยเป็นอาการที่ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอาการที่นะ ไม่ต้องไปคอยสแสวงหาความรู้ไปสแสวงหาหนทางที่จะหมดทุกอะไรเลยนะเพราะว่ามันสัมผัสได้ที่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ทันทีนะ น, นั่นไม่ต้องนะจิตมันก็เรียกว่ามันก็เกิดความสุขเกิดความสบายในจิตนะมันก็ทำให้เรามีความเพลินมีความพอใจอในการภาวนาไปเรื่อยแต่ก็ต้องรู้ทันนะถ้าบางครั้งจิตมันเผลอไป ไปย้อมไปเสกกับความสุขแต่งัจิตมันก็ยังติดสุขอยู่ก็ต้องเอทําความรู้สึกตัวให้มันชัดขึ้นนะมันก็จะถอนออกมาจากความสุขความสบายตรงนั้นได้ก็ทําความอรู้สึกให้เห็นรู ป, ปรธรรมนามธรรมมันแยกส่วนกันให้มันเด่นเดให้มันชัดขึ้นมาเองนะกลับมาฐานที่เราทํา ในเบื้องต้นเนี่ยแหละนะดูรูปที่เคลื่อนไหวให้ชัดเจนนะจิตใจหรือว่านามาทำเป็นคนคอยลเลือกรู้ก็กลับมาหาฐานตรงนี้นะแต่ไม่ใช่ไปเกาะแต่ฐานนะหมายถึงว่าเมื่อเมื่อไรที่เรารู้สึกว่ามันมันสภาวะมันเบอร์เบอร์หรือสภาวะมันเข้าไปแช่นะเรากลับมาทําความรู้สึกให้มันชัดขึ้นนะแต่ถ้าสภาวะ จิตมันเป็นกลางมันตั้งมันอยู่ก็ดูแบบสบายสบายไปเรื่อยนะอมันจะรู้ก็ช่างมันจะหลงไปก็ช่างก็กลับมารู้ใหม่ก็ไม่เป็นไรเนะี่ยเราทำสบายสบายแบบนี้เนาะเราทําที่เหตุของการภาวนาก็คือให้มีสติอยู่กับปัจจุบันในการได้รู้ดหรือว่า ร, ร, ร, รู้นามตามที่เป็นจริงนะไม่ใช่ตามที่เราอยากให้เห็นไม่ใช่เปิดตามที่เราอยากให้เป็นแต่เรารู้ ทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงนั่นแหละความเป็นจริงนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่สอนธรรมะนะไม่ว่าจะเป็นอกุศลหรือกุศลก็ดีมันปรากฏขึ้นจริงในจิตใจเราก็รู้อย่างที่เขาเป็นไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์ที่ปรากฏขึ้นกับรูป ก, ก็ดีนะมันก็ปรากฏจริงอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละความปวดความเมื่อยความหิวความ สบายมันปรากฏขึ้นมาแล้วก็ยอมรับอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละนะถ้าเรายอมรับอย่างที่เขาเป็นนะมันก็จะมันก็จะทุกข์หรือว่าปวดเมื่อยแค่กายแต่ใจไม่ทุกข์ใจสบายอยู่หรือว่าถ้าอารมณ์ความคิดมันมีอาการอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่พอเรายอมรับเขาอย่างที่เป็นจริงนะมันเหมือนมันเหมือน ผีที่เจอพระนะมันก็หนีทันทีมันก็จะเห็นลักษณะอาการวนนะอ๋อมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ปรากฏขึ้นแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่เราจริงๆหรอกมันเหมือนเป็นเงาเวลาเราเดินอยู่กลางแดดนะตากแดดอยู่ก็มันจะมีเงาที่มาปรากฏเราก็จะรู้เลยว่ามันเป็นแค่เงาของ ตัวตนความคิดหรือว่าตัวตนของกิเลส ท, ที่เขาแสดงเชื่อฟังชั่อพาวแต่เงากับรูปนั้นมนเป็นคนส่วนกันความคิดกับจิตใจก็เหมือนเหมือนเงาที่เขาสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของกิเลสของความหลงก็แค่นั้นนะแล้วก็ดูไปแล้วก็เอองามไม่ใช่ของจริงนะความคิดมันก็ไม่ใช่ของจริงอารมณ์ก็ไม่ใช่ของจริงเช่นเดียวกัน มันเกิดขึ้นมาจริงนะแต่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราจริงๆหรอกน ะ, นะแล้วก็ดูไปแบบนี้เนี่ยอันนี้คือสติปัญญามันจะค่อยๆเพิ่มพูนแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยเนา ะ, นะทำไปเรื่อยอย่าใจร้อนนะแต่ก็อย่าได้ประมาทอย่ได้ย่อหย่อนในการภาวนาเนาะก็ฝากไว้ชาววันนี้